มิ لاه <c oughs> ورحمن ورحيم دين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ميَهَدِ الله فلا مضلَّة وَمَن ي ُ ض ل ِ ل َ فَلَهَا د ِ ي َ ل َ ه, ه د أن لا إله إلا الله ا ش ر له ش ه د أن محمدا ر س ل ه اللهم صل على محمد وعلى آله و ا ص ح ا ب ه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب ي شرحي ل صدر ي و ي س ر لي أمر ي وحل ل ع ق د ة من لساني يفقه قولي اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور ا, إ ل l a h u m m a anta Rabbi la i l خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أبو ألك ب ن ي م ت ك عليا وأبوه بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت ا أن ل ل ه h u m m a inni a من شر ما صنعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสซุบทุกทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้การมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ในปีมีเป้าหมายชัดเจนอยู่เป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวท่านั้นแหละครับว่ามา خلق ตุลจินน์ و ا ل إ อ س ا إلّا ليعبدون อัลล์กล่าวในคันภีรกุรอานระันเนี่ยไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดอิลลาริยาบุดุนเป้า <ون> หมายก็คือเพื่อให้ยินและมนุษย์เนี่ยพักดีต่ออัลลอ์แสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอ AH, ัลลอฮ์ س ب ح ا ะตะอัลนะขณการที่เรามานั่งอ่านอัลกุรอานมาทบทวนอัลกุรอานหลังนมาุบะเนี่ย เป็นการทำตัวของเราให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลล์เมตตาครับเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลลอ์นะที่เรามาทบทวนมาถึงสูร่าที่สิบห้าเนี่ยสุร่าอัลฮิจเรวันนี้มาถึงอายะที่ที่สิบหกนะครับงั้นเริ่มเลยนะเริ่มคุณอ่านเลยนะครับ ولاقد จะ جعلنا في السماءبروج وزينناه لنغيرين ดูคาแปลก่อนนะครับว <S ess> ่าเราจะ جعلنا ใสัมมาอิบรูจและโดยแน่นอนจิิงเราได้ทาให้มีบรูชเนี่ย แต่ว่าหมู่ดวงดาวดวงดาวเนี่ยไม่ได้เกิดเองนะอัลลอ์สร้างมานี่อัลลอฮ์เล่านะเราได้ทำให้มีหมู่ดวงดาวหรือว่าหมู่ดาวอยู่ที่ไหนละหมู่ดาวเนี่ยฟิสซามาอยู่ไหนนฝากอยู่ในชันฝา ว่าใจยันนาฮแล้วเราได้ประดับประดับทองฟ้านี่แหละให้หมู่ดาวเนี่ยไปประดับทองฟ้าลินนาซิรินสำหรับผู้ที่มองนาซีตแปลว่าคนที่มองอย่างเย้าเนี่ยมองแง น, นดูทองฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยอัลลอฮอักบนี่อัลลอฮ์เล่านางเบียกุรอานว่า อัลลอฮ์เนี่ยสร้างหมู่ดาวอยู่บนทองฟ้าแล้วเราไปป ร, ประดับทองฟ้าเนี่ยให้มันสวยงามเพื่ออะไรนะเพื่อผู้มองมองไปแล้วเนี่ยโอ้สบายหูสบายตาสบายใจแต่ท <c oughs> ั้นคนที่มองทองฟ้าเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วอย่าง น, นดูทองฟ้าอัลลอฮ์ว่า <c oughs> ทองฟ้านับไม่ท้วนนะนะดวงดาวเนี่ยนับไม่ท้วนเต็มไปหมดเลยนะ ที่ที่เรารู้เนี่ยชั้นฟ้ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะมีอยู่กี่ชั้นนะเจ็ด ห, ห, ห, ห่วงห่วงห่วงทั้งมันเจ็ดห่วงด้วยกันถ้าไม่อ่านฮะดีษเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าชั้นฟ้ามีทั้งหมดกี่ชั้นในคัมภีร์คุณอ่านอธิบายว่ามีอยู่ซับอาสามาว่าเจ็ดชั้นฟ้านี่พอไปเปิดฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องขึ้นแม่รอดของท่านนาบี พอเปิดฮัดีิภาพเนี่ยเราจะเจอเลยบอกว่าชั้นฟ้ามีอยู่ทั้งหมดเจดชั้นฟ้าเนี่ยวันที่นบีขึ้นเมียรอชไปเนี่ยชั้นฟ้าที่หนึ่งพบใครชั้นฟ้าที่สองพบใครมีหัตติสอธิบายอย่างนี้นะครับเมื่อนบีขึ้นเมียรอชกับท่านยิบรีนอะลัยฮิสลามไปเองเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วแหะมนุษย์เนี่ยต้องผ่านท่านมลายิกะ ขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วเนี่ยชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนบีไปพบกับนบีอาดามาเลหฮิสลาชั้นฟ้าชั้นที่สองเนี่ยนบีไปพบกับนบีไอซาอลหฮิสซลาหชั้นฟ้าชั้นที่สามเนี่ยไปพบกับนบียูซุฟอัลเลหฮิสซลาหชั้นฟ้าชั้นที่ส่เนี่ยนบีมุฮัมมัด ไปพบกับท่านนบีอิดริสนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามชั้นฟ้าชั้นที่หเนี่ยไปพบกับนบีฮารูนพบกับนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามชั้นฟ้าชั้นที่หนบีมุพาดท่านยิบรลพบกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม ชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเนี่ยนบีมุ h ั m มัดนำโดยท่านญิบรีนพบกับนบีอิบราฮีมอลัยฮิสสลานี่พออ่านทาดิสเป็นคำอธิบายกุรานะเพิ่งเข้าใจโอ้ว่กากูัสทีนี้ไอประตูนี่มันมีชั้นฟ้านีนะ่ประตูมันมีตอนที่ท่านยิบรีนพาไปเนี่ยนะพอจะผ่านจากชั้นฟ้าที่หนึ่งที่สองไปข้อประตู เคประตูขออนุญาตขึ้นข้างบนคาถามว่าท่านมากับใครฐานจิบรีบอกมากับมุฮัมมัดถูกสั่งใช่ไหมข้างบนก็คุยว่าถูกสั่งขึ้นสั่งสั่งให้เข้าเฝ้าใช่ไหมบอกใช่ใชใชก็เปิดประตูกันไอนครับเนี่ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอฺเนี่ยเล่าเรื่องเล็บเรื่องที่เราไม่สามารถจะจินตนาการด้วยความคิดของเราเองได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุาาบฮานาอูวะตาลา ทีนี้หลังจากชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าซิดรอดตุลมุนตะฮาซิดรอดตุลมุนตะฮาซิดรอดแปลว่าต้นต้นผลไม้ต้นพุทร า, าต้นพุทราอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะที่ไกลพล้นสูงที่สุดเลยหลังจากชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเสร็จแล้วท่านยีบรี่ก็ ไปปล่อยท่านนาบีประมาทอยู่คนเดียวเข้าเฝ้าอัลละ์ก็ได้รับอะไรมานะวันนั้นอนะ่ะได้รับนามาแต่ท่านในภาษาฮะดีสพูดบอกว่าอัลซอลาการนามาเนี่ยรอดุลคือการขึ้นไปรับแล้วก็เอาลงอมาเนี่ยเป็นของมุมินเนี่ยรอดุลมุมิน อัลลอฮฺตุมีอัอฮยาาุลมูมินีฉะนั้นคนที่นมาห้าเวลาเนี่ยนบีขึ้นไปรับเป็นรางวัลเป็นตัวปะเป็นของขวัญที่ข้าวเฝ้าอัลลออัลลอให้นมาดมาวันหนึ่งไหม่ๆนี่นะห้าสบนี่พอลงมามาพบกับนบีมูซาชั้นฟ้าชั้นที่หกเนี่ยบีมูซาบอกว่าขึ้นไปขึ้นไปก่อ น, ข, นขึ้นไปให้ลดลงมา นี่หะดีส์อธิบายอย่างนี้อาละอลัลลอลดไปลดมาเหลือเท่าไรเหลือห้าเพราะฉะนั้นคนที่นมาศครบวันละห้าเวลาวันนี้ผลละบุญเท่ากับนมาศห้าสิบเวลานี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมีคนมาเลเซียคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปบนดวงจัน์ใช่ไหมล่ะขึ้นขึ้นไปเนี่ยเออขึ้นไปรอบรอบดวงจัน์ ยานวพอลโล อ, อะไรก็ไม่ทราบของอเมริกาเนี่ยเพิขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะนับเวลานามาจริงๆละห้าสิบเวลาเดี๋ยวนามาเดี๋ยวนมาเดี๋ยวนามาเดียเด๋ยมเนี่ยผมเคยอ่านพวกมาหลายปีมาแล้วนะแค่นั้นข้างบนเนี่ยพี่ต้องอ่านนะครับมันมีอะไรมากมายเหลือเกินนะที่ลอตาน า, าเก็บเอาไว้ไ ม, ม่ให้มนุษย์รู้ เพียงแต่เล่าบางสิ่งบางอย่างให้ท่านนาบีมุฮัมมัดรับทราบแล้วก็นบีก็เอามาบอกต่อเท่านั้นเอง เ, อเราจะไม่คุยในเรื่องนี้นะครับเพราะการจะคุยว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีอะไรนะมีดวงดาวเต็มไปหมดเลยดวงดาวบางดวงเนี่ยยังเดินแสงของมันยังเดินมาเดินทางยังไม่ถึงโลกใบนี้แสดงว่าอัลลอฮฺมันสูงเหลือเกิน ถามวานอับุมฮัมมัดขึ้นแมอรอดเนี่ยขึ้นโดยร่างกายหรือว่าขึ้นโดวยวิญญาณขึ้นโดยร่างกายหรือว่าโดยโดวยวิญญาณอย่างเดียวแต่คำอธิบายก็คือขึ้นพร้อมๆกันทั้งวิญญาณและร่างกาย ก, ายก็ดูดูภาษาสิสุบฮานัลลาีอัสรบิอับดิฮีอับดิฮีเนี่ยแปลว่าบาวของพระองค์ อัสรอแปลว่าเดินทางในเวลากลางคืนจากไหนมินัลมัสยิดิลฮารอมจากนครมักกะอิลลมัสยิดิลอักสอเดินทางข้างล่างเลยนะไปที่มัสยิดอัลอักสรแล้วก็จากมัสยิดอัลอักสรเนี่ยบียงอับดีฮีเบาวของพระองค์คําว่าเบาวมาถึงร่างกาย วัลลอของอลาอัลลอฮฺอธิบายว่าไปด้วยร่างกายแล้วก็ไปด้วยวิญญาณพร้อมๆกันแล้วก็นบีก็มาเล่าเองนะครับตามธรรมดาเนี่ยจาก น, นครมักกะไปเมืองเยรูซาเล็มอัลอักซสอเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะขี่อูดสมัยก่อนเนี่ยเป็นเดือนแต่ไปแป๊บเดียวพอลงลงมาเนี่ยเมีคนถามกันเยอะว่าท่านขึ้นไปจริงเป่ามีบอกจริง เขว่คืนนั้นระหว่างทางนพบกลุ่มฉันไหมฉันเดินทางอยู่ระหว่างเนี่ยระหว่างอัลอาซซอกับมักกะเนี่ยเขบาบรรยายว่าเห็นท่านเห็นหมดเลยนะมาคุณอะไรเนะี่ยอะไรแพะคุณลาคุณนี่ยนะอาจจะอูดคุณห น, นีแล้วใครนั่งอยู่ใครเดินแถวหน้าแถวสองแถว ส, สนนามนบีเล่าหมดเลยนบีเล่าบอว่าอัลลอฮฺจะลานเนี่ยส่งภาพมาให้ให้นบีเห็นภาพหมดเลยอัลลอฮฺอักุบะ เนี่ยเป็นเรื่องความลับทั้งหมดเพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีจริงนบีมุฮัมมัดขึ้นเมื่อออฮจริงได้รับว่าให้เรื่องนมาจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหมดเลยท่านคนที่เชื่ออัลลอฮ์สุภานวตอัลลาอีมานต่ออัลลอ์เนี่ยโอ้โหคนนี้เป็นคนที่ได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์มากเอากระจะไม่คุยในเรื่องนี้นะครับ ว่าแล้วก็จะจ a l n a fisma i b u ร u จาและโดยแน่นอนยิ่งเราได้ทำให้มีหมู่ดาวณทองฟ้าและเราได้ประดับมันให้สวยงามแกผู้มองจริงไหมจริงครับจะนั่นเวลามองทองฟ้ า, ด เ, า, าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มองทองฟ้าแล้วมองทีวีกันหมดดูละครกันหมด มีทีวียังมีมุสลิมอยู่สักสี่ช่องอหละครับยินดีขอบคุณอัลลอฮ์นั่นกลางคืนเนี่ยเงี้ยดูท้องฟ้าบ้างอัลลอฮ์ว่ า, า, าอ่านคุรานเนี่ยอัลลอฮ์ชี่นําชีวิตเรานะกํากับชีวิตเรานะกลางคืนคนอยู่ที่ไหนกลางคืนคนมองอะไรใช่ไหมฉนันเงี้ยดูท้องฟ้ามีบรรยากาศมีความจเจริญจากอัลลอฮ์ถ้าเอาคุรานนี่มากํากับชีวิตเรานะครับเงนดูท้องฟ้ามองดู Illah, Allah. อัลฮัมดุลิลลอฮฺยาอัลลอฮฺชานฟ้าดวงดาวเต็มไปหมดเลยนี่อัลฮัมดุลิลลอ้าเอาจริงเป็นต้นนะครับต้องการจะอธิบายนิดหนึ่งว่าอัลลอฮฺสร้างชานฟ้าเนี่ยกี่วันอ่าก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมซาบอาสมาวะาฟิยาวไม่นี่อัลลอฮฺสร้างชานฟ้าทั้งหมดใช้เวลากี่วัน2วันอัลลอฮฺสร้างโลกดุนยาไปนี้กี่วัน หวันพอสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมสร้างมนุษย์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แผ่นดินอาหารที่อยู่ในปา่าสัตว์ที่อยู่ในปา่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วก็ปลาที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอลัลลอฮฺตีราคาโลกดุนยาไปนี่ราคาเท่าไหร่ <laughs> อลัลลอฮฺปีกยุงแพงกว่าเห็นไหมอุตษาสร้างอะเราเนะ่ยมองโ อ, อ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแหะ พอสร้างเสร็จอัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดนบีมาตีราคาอา้าวราคาเท่าไหร่นบีมาสอนต่อถ้าหากโลกดนยาใบนี้มีราคามากกว่าปีกยุง่งฉันจะไม่อนุมัติให้คนที่คนกาเฟตคนมุสริกคนที่ไม่เคารพอัลลอฮ์นะไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ำแม้แต่อึกนึงฉันไม่ให้ดื่มเลยนะ ในสายตาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่าโลกดุนยาใบนี้ถึงจะสร้างมาหกวันก็ตามสร้างแล้วตีราคานะยุงมีค่ามากกว่าเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมที่ฟังรายการนี่ได้ฟังรายการอย่างเงี้ยตั้งแออัลกรุรอานเนี่ยพี่น้องจใจต้องนึกแล้วของที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกดุนยามีโลกอาคีร์อัลแค่ไปติดกับโลกดุนยาคือเอาโลกดุนยาเนี่ยโลกดุนยาเนี่นะ อธิบายยังไงโลกดุนยาเนี่ยตัวแทนของโลกดุนยามีกี่อย่างแค่ตัวควายแน่นอนทรัพย์สินปัจจัยยังชีพทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยดุนยาเป็นตัวแทนของดุนยาที่มองเห็นนะที่จับได้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่มองไม่เห็นจับไม่ได้มีอยู่สามรายการสี่รายการหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งซวซ ส, สตำแหน่งอิหมามตำแหน่งรุ่งกรมก ร, มกรมการบริษย์กรรมการอะไรก็ตามแต่ตำแหน่ง ที่เป็นตัวแทนของดุลยาทั้งหมดแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศเห็นไหมแล้วก็นบีก็สั่งในเกียรติยศของคนนี่นะถึงจับต้องไม่ได้แต่ต้องต้องรักษาชื่อเสียงของเขานะอย่าไปทำลายเขาวันที่นบีทําฮัตครั้งสุดท้ายเนี่ยนบีนั่งอยู่บนหลังอูฐนบีบอกว่าเลือดเนื้อทรัพย์สิสนชื่อเสียง ที่อลัลลอฮ์ให้มานะไอ้เลือดเนือ้อเน่เห็นชัดเนี่ยสตังเนี่ยมาเห็นชัดแต่ไอ้ชื่อเสียงกเกลียรติยดของคนที่อลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะมันจับต้องไม่ได้อ่ะแต่ที่พวกเราวันนี้เนี่ยนะเราจะไม่แตะต้องคนไม่ไม่ทําลายคนไม่ไปเอาทรัพย์สมบัติคนแต่ชื่อเสียงเขาจะทํางานวันนี้ยฟิทนากันด่ากันต่อว่ากันอลัลลอฮ์เอาโทษนะ ไม่ใช่ไม่เอาโทษเอาโทษเพราะฉะนั้นปัจจัยดุนยาที่ไหวมินที่ว่าไม่มีค่านี่แหละแต่หาว่าใครที่ไม่ถล้ำตัวเองเข้าไปติดยึดกับเงินจนเกินไปไม่ติดยึดกับอะไรนะชื่อเสียงจนเกินไปตําแหน่งจนเกินไปถ้าหากเอาเงินเอาชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งนี่นะได้มาแล้วเนี่ยเอามาทําอะไรดีที่สุดพี่น้อง เอามาดูแรงงานศาสนาของอัลลอฮ์สิอ้าวอย่าตำแหน่งสอวอย่างเงี้ยตำแหน่งสสอเนี่ยใช่ไหมไปเอางบ ป, ประมาณมาสิแล้วเอามาทําอะไรลนะ่ะเอามาดูแรงงานศาสนาของอัลลอฮ์ให้คนได้เข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะให้คนได้มีโอกาสได้เรียนศาสนาเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์อัลกุบัตมีประโยชน์หมดเลยจะนี่พอได้มีตำแหน่งขึ้นมามีเงินมาลืมอัลลอฮ์ นู่นอะไปคิดถึง Allah, อัลลอฮ์ไอตอนไม่สบายนะไอตอนเงินหมดแล้วอยาอัลลอฮ์ขอเพิ่มอีกหน่อยเถอะไอตอนมีจริงๆรนะิะไม่เอาศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ได้คิดถึงศาสนาของอัลลอฮ์จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์จะให้เจริญยังไงอะไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่อลัมดุละก็ยังดีนะที่แกแล้วยังกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และุสัลตานะแต่พวกเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยหนุ่มหมดเลยนะ มีผมผู้เดียธที่แก่ที่สุดร้าน้องนั่นหนุมนุมหนุ่มนุมวะลาฮัมดุลิละนี่แหละคนหนุมหน่มนี่แหละเี่นต้องนะช่วยกันดูแลศาสนาของอัลลอฮ์จะทำให้ตัวท่านเองแล้วครอบครัวท่านมีบาระกับมีควา ม, จมเจริญ น, นะครับอาต่อมาครับวะฮาฟิซนาฮามินกุลิชัยตนิรจีม วาฮาฟิสนาฮะและเราได้รักษามันรักษาทองฟ้าข้างบนด้วยนะเรารักษาหมดมินกุลิชายตอน้นให้พ้นจากชายตอนต้องการจะอธิบายอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยชัยตอนเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นไปทัศนาจรขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปทัวข้างบนเนี่ยได้ชายตอ น, น่ะ ชายตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นข้างบนได้ตอนไหนตอนที่อลัลลอ์สร้างนาบีอาดัมมาแล้วอาดัมยังอยู่บนสวรรค์อยู่นะสวรรค์ตรงไห น, น, นาวา่าลกอะไรเัาไม่รู้ชายตอนยังขึ้นได้ถ้าชายตอนขึ้นไม่ได้จะหลอกอาดัมได้ไหมล่ะหลอกอาดัมก็ต่อวหวัวเธอทำอะไรผิดผิดมาเนี่ย น, นั่นแหละเพราะฝีมือของชายตอนเพราะฉะนั้นหลังจาก นั่นต่อมาเมื่ออัลลอฮฺให้นบีมุฮัมมัดจะแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาปาปเนี่ยอัลลอฮ์ก็ระวังเลยไม่ให้ชายตอนขึ้นไปมีอิทธิพลข้างบนถามว่าชายตอนน่ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปทําไมคนเร็วๆอ่ะชายตอนน่ะเป็นมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมานะ่ะเร็วที่สุดนะถามว่าขึ้นข้างบนน่ะมีเป้าหมายอะไรฮะดีษอันนบีอธิบาย ที่ขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะไปแอบฟังไปแอบไปแอบที่ไหนน่ะไปแอบที่ก้อนเมฆไปน้องนั่งเครื่องบินรู้ใช่ไหมหก้อนเมฆกันหนาขนาดไหนอัลลอฮฺอักบารเสียใส่ตอนขึ้นไปแอบที่ก้อนเมฆไปแอบฟังฟังอะไรไปน้องฟังว่าอัลลอฮฺเนี่ยสั่งมาลายิกะเรื่องอะไรบ้าง แล้วก็มาลายกาเนี่ยนะเวลาได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์มาเนี่ยอัลลอฮ์ดีใจนะดูลตีตีปีกมาลายกานะขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้ทํำนู่นทํานี้ทํานี่ทํานั่นเนี่ยนะก็บางทีก็คุยกันอนะมาลายกะสององค์สามองค์มัคุยกันอัลลอฮ์สั่งอะไรมานะอัลลอฮ์สั่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอชัยตอนนะมันก็แอบฟังว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรทีรนี้พอเมื่อชัยตอนมันไปแอบฟัง ของที่อัลลอฮฺสั่งวะฮีลงมาให้กับมาลาิกมามลิกาเป็นผู้บริหารแทนอัลลอฮฺอยู่เนี่ยพี่น้องใช่ตอนเวลามันได้รับได้รู้ว่าข้างบนสั่งอะไรเนี่ยมันก็ลงมาข้างล่างไปหาใครรู้เป่าไปหาคนที่นั่งสุลเอาเรอไม่ไปมาไปหาคนที่ไม่เอาอัลลอฮฺนั่นแหละพวกหมอดูทั้งหลายอาไปหาพวกหมอดูคนที่เอายินเอาผี คนที่ห้อยตะกงตะกุดคนที่อะไรเนี่ยทำบาปคนที่ไม่เอาศาสนาทั้งหมดเนี่ยใช่ตอนมันพวกเดียวกันเห็นไหมมันก็ต้องไปเอาของ อ, ลอลัลลอ์น่ะเอามาทำอะไรเอามาเล่าให้พวกหมอดูฟังยกตัวอย่างง่ายๆอัลลอ์จะให้คนเนี่ยรูป้ปางบงบประมาณประจำปีของอัลลอฮ์เนี่ย อ, อัลล กำหนดให้เดือนไหนรู้ไหมเดือนชาบานนะงบประมาณประจําปีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เดือนชาบานนะประมาณวันที่กลางๆเดือนอ่ะวันที่สิบห้าชาบานของทุกปีเนี่ยอัลลอฮ์ให้งบประมาณประจําปีลงมางบประมาณประจำปีเนี่ยมีมีมีมีอะไรบ้างมีทั้งหมดสิรายการที่ผมนั่งนั่งนั่งนั่งอ่านอยู่นะหนึ่ง จะให้คนตายกี่คนจะให้คนตายกี่คนปีนี้จะให้คนตายกี่คนทั่วโลกอ่ะประการที่สองจะให้คนเกิดกี่คนประการที่สามจะมีการหย่าร้างกันกี่คู่ประการที่สี่จะมีนิกายกันกี่คู่มียาด้วยแล้วมีนิกายด้วยนั่นน่ะ เป็นงบประงานประจำปีของอัลลอ์นะครับจะแต่งกันกี่คู่จะจะจะหย่ากันกี่คู่แล้วก็ใครจะมีความสุขความสุขนี่มาจากอัลลอ์นะเขาเรียกว่าคูชในภาษาอุรดูคูชี่เรื่องความสุขทั้งหมดแฮปปี้เนี่ยแล้วก็ใครจะเสียใจจะรอมรีเสียใจแซ่ร้องไห้ฮัสรอดนี่มาจากอัลลอ์ทั้งหมด ก็ประมาณประจําปีเอาไว้กำหนดเลยแล้วต่อมาครับใครจะเป็นใครจะร่ำรวยได้รับริสุขีเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีใครบ้างต่อมาครับใครจะยากจนใครจะบงเกตจะลดเงินใครจะลดเงินใครจะเพิ่มต่อมาครับใครจะได้รับเกียรติยศไอ้สัตเกียรติยศเนี่ยใครจะได้รับตําแหน่งต่างๆใช่ไหมอ้าวตั้งแต่สวสข อะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหะในยงในยกเนี่ยทั้งหมดนี่เราจะลากําหนดเราหมดแล้วแล้วก็ใครที่จะร่วงใครที่จะตกโอ้พี่น้องทั้งหลายทั้งหมด10รายการด้วยกันอขอเล่านิดนึงนะหนึ่งอะไรนะความตาย ต, ตายเท่าไหร่ใครจะเกิดเท่าไหร่ใครจะยากันใครจะนิกะกันใครจะได้รับความสุขใครจะได้รับความทุกข์ ใครจะร่ํารวยเงินทองเพิ่มใครเงินทองจะลดใครจะได้รับเกียรติยศได้รับเกียรติยกย่องคนยกย่องคนยกย่องแล้วก็ใครที่จะถูกลดเกียรติลดตําแหน่งหรือว่าร่วงจากตําแหน่งนก็ลากระดหนดประจําปีไอเรื่องอย่างนี้แหละที่ใช้ตอนมันชอบขึ้นไปข้างบนไปฟัง อ, อ่ะเอาปีนี้อัลลอฮฺให้ ห้าล้านคนรวยยกตัวอย่างเนี่ยก็มาหาพวกหมอดูไงอ่าเฮ้หาล้านหาล้านคนอันนี้ก็ดาวเลยเนี่ยที่เมืองไทยสิบคนที่พมา่าห้าคนที่อเมริกาสองร้อยพวกหมอดูก็เห็นไหมได้ข้อมูลมาจากสซตต่อแล้วนะ่ะว่าปีนี้อลัลลอฮจะให้รวยกี่คน อัลลอฮ์ได้ให้ข้อมูลแล้วว่าจะตายกี่คนจะนิกายกี่คนจะยากันกี่คนพอไปดูลายมือรมัสมกันนะอ๋อคุณเนี่ยจะนิกายใหม่โอดีใจใหญ่ทำอยู่ดีละ่ะเอาเอาเ อ, า เ, อ, า เ, อาเอาเงินไปเลยห้าร้อยไปร้อยก็หากินกันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมลินคนที่มีาศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งใครเลยพเพราะอัลลอฮ์สั่งอ้านบียสั่งว่างไงนะใครจะไปหาหมอดู อัลลอฮ์จะไม่รับรับอะไรรับนามาสกี่คืนสี่สิบคืนเห็นไหมคนจะไปหาหมอดูก็หมอดูอยู่กับใครอยู่กับชายตอนชาตอนแอบไปฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งมาเป็นเงินงบประมาณประจําปีเนี่ยได้มาก็เอามาเนี่ยอย่างพวกเท้าคูค่กู้กันเห็ น, นตัวสอสพวกเนี้ยงบประมาณประจําปีจะขุดแต่ที่จะขุดอะไรนะทํานงทําำน้า ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ไปหากินก่อนไปเอามาหัวละหมืน่นละหมืน่นละหมืน่นเดี๋ยวจะเอาชื่อเข้าปัญชีเหมือนการชัยตอนก็เหมือนการหมอดูก็เหมือนกันทําของคารามารามเต็มไปหมดอย่างนี้เป็นตน้นเข้าใจง่ายๆนะเข้าใจนะขอบคุณนละล่ะสุภานณหูวจาระอ้าวน ะ, วนะครับพี่น้องอายาที่อายาที่ที่สิบเจ็ด ว่าขาฟิสนาามิงกุลิชัยอนิรอจีมและเราได้รักษามันให้พ้นจากมารไทยตอนทุกๆตัวที่ถูกขวางนะครับต่อมาอายาที่18อิลลามนิสตารกสัษามา فأتبعه شهاب มบินแต่ถ้าผู้ใดมาถึงไสตตอนตัวใดมานิสตาเราก็แอบฟังอ่าแอบไปฟังขึ้นไปขโมยฟังแอบฟังนะพี่น้องฟะอัตบะาหูเปลวไฟชี้ฮแปลว่าเปลวไฟ ฟาตบ้างฮูชีฮะบุม ب มบ ن นเปลวไฟอันสว่างจ้าอัตบ้างฮูแปลว่าติดตามมันหรือขับไล่มันอันนี้อัลลอ์เล่าให้ฟังเลยชัยตอนขึ้นไปข้างบนไปแอบฟังแล้วอัลลอฮ์ก็ไล่ไล่ด้วยอะไรด้วยอะไรนะด้วยเปลวไฟที่สว่างจ้าที่เราเรียกว่าดาวอะไรนะ ผีพุ่งใต้หรือดาวตกอลไรพวกนี้แหละนะอ่าก็มความจริงมันมีมานานแล้วแหละแต่ที่มีอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขับไล่ไซตอนที่แอบไปฟังอะไรนะงบประงานประจําปีของอัลลอฮฺแลเอามาหาหมอดูใช่ไหมแต่มันก็ได้มาเล็กๆในน้อยก็ได้มากก็ถึงหมอมันก็เจริญตรงเนี้ยเใช่ไหมคําบัาก็หกด้วยอะไรด้วยผสมกันนะสองอย่าง เอาเี่น้นองเข้าใจนะตกลงว่าผู้ใดที่แอบฟังดังนั้นเปลไฟอันสว่างจ้าจะติดตามหรือขับไล่เขาที่ขึ้นไปแอบฟังไม่สำเร็จก็ได้บ้างเล็กๆนี่นะได้ยินเสียงอะไรก็คุยได้มานิดนึงเอาแล้วเอามากระจายข่าวกับหมอดูที่อยู่ข้างล่างฉะนั้นเรากับหมอดูนี่อยู่คนละสุราดีวกว่านะ <c oughs> อยู่คนละวัดสยิตอยู่คนละตำบลเช นี่คนไม่ฟังศาสนานะถูกรองบนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ฟังศาสนาไปฟังกุณอา่านไมฟังตัฟซีนเนี่ยนะถูกลองใครรอก็หมอดูนี่แหละแล้วมุสลิมก็ตั้งตัวเป็นหมอดูมีปะโอเยอะมากเลยคนนี่ไม่อยากอ่นอานกูอ่านต้องอ่านก็ไม่เข้าใจนะครับเอาต่อมาครับ wal arba madadnahe وألقينا َََْْ فيها َِ رواصية و, و أ َ م ْ ب ْ ن َ ا فيها َِ من ِْ كل ُِّ شيء ٍَْ م َ و ْ ز ُ و ن และแผ่นดินนี้เราได้แผ่มันมาด้ดนาฮาไอ้มานี่ยอัลลอฮ์เล่าเลยนะแผ่นดินนี้เราได้แผ่มันให้กว้าง ถ้าไม่แพรเป็นแต่ภูเขาภูเขาอยู่ลำบากไปพวกอวานิสทานลำบากนี่อัลลอฮ์แผ่เลยส่วนใหญ่นะแผ่ให้กว่าเหมาะที่จะับทำอะไรรู้เปล่าทำเกษตรทำหาอาหารหาริสกีของอัลลอฮ์จะเดินทางไปไหนมาไหนโดยรถเนี่ยง่ายหมดเลยสะดวกสบายมากขอบคุณอัลลอฮ์ต่อมาครับวะอัลกอยนาฟิฮารวาเซีย เราวา่าซอยาแปลว่าภูเขาเอาลัลลอฮ์ได้ให้ภูเขามามาตึงโลกใบนี้มาปักไว้อ า, อาอัลลอฮ์มาปักโลกใบนี้ด้วยภูเขาเอาภูเขามาไว้บนโลกใบนี้เพื่อไม่ให้อะไรโครงเคลงเพราะมันเป็นมีอย่างนี้มีหะดิษอธิบายบอกว่าเมื่อตอนอลัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มาใหม่ๆ มาลัยกาก็บอกว่าโอ้โล้วงโครงเคงโครงเคงเราไงเอาเราเราอ่าอ่าอ่าอ่าฉันจะทำมาให้มันโครงเคงก็สร้างภูเขาเห็นไหมปีน้องทั้งหลายนั่นการที่เราให้มีภูเขานั้นก็คือเพื่อมาให้โลกใบนี้มันไหวเยอะๆหรือไม่กรั่โครงโครงเคงแต่ตอนนี้ก็เริ่มระเบิดภูเขาเลยใช่ไหมนะ่ะเด็กก็ประมาณนะนด็ก็ประมาณประจําปีด้วยนะ ได้สามประธานด้วยระเบิดภูเขาทั่วโลกเลยเอามาทำอะไรทำถนนไปไมนะ่ก็เดียไม่ชาจะพอระเบิดกันเยอะๆเข็มบุดมันหมดแล้วกิยามัด <c oughs> เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นถามว่ากิยามัดเนี่ยความวุ่นวายบนโลกดุนยาไบนี่ถูกทำลายโดยใครโดยมนุษย์หมดเลยนะครับ อ, อย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับ อัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาแผ่มันให้กว้างแล้วก็ปักมันไว้เอาภูเขาปักไว้เพื่อมาให้โลกใบนี้มันโครงเครงวะอัมบัตนาฟีฮาและเราได้ให้งอกเงยอัมบัตนาให้ต้นไม้เนี่ยมันงอกเงยขึ้นมา อ, อยู่ผมบองมองหญ้าหญ้าที่กูโบเนี่ยอัลลอ์ตัดไปแผละ เดี๋ยวมาแล้วขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนนี่ถมที่ใหม่ๆที่เตียยเลยยามันมาจากไหนอ่ะเราก็นั่งมองดูยาวลอเอัก็ับนี่เราไม่รู้จริงๆเลยนะไม่รู้มาจากไหนอ่ะล้มาแล้วเต็มไปหมดเลยเนยี่ยยิงตัดยิงคืนยิงฝนตกนิดหน่อยเอารอยาขึ้นเขียวทำอยู่เรล่อยขอบคุณตลอมิงกุลิชัยอิมเมาซูนทุกทุกสิ่งตามสัดส่วน เห็นไหมอัลลอฮ์ให้ตามสัดส่วนอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เยอะรอกที่นี้พอได้เยอะได้เยอะๆหน่อยพี่น้องหลายคนเสียคนเพราะได้เยอะใช่หรือไม่ใช่อ้าวฝนตกลงมาเยอะๆๆเป็นยังไงน้าท่วมอ้าวเห็นไหมแล้วก็อัลลอฮ์ตั้งกหนดน่ยให้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่นี้อัลลอฮ์นี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะ บางคนอยากจะมีภยาเกินเกินหนึ่งแล้วไว้ง่ายนะแต่ว่าถ้าหากไม่มีความสามารถเนี่ยอย่าเลยอย่าเลยเ <c oughs> พราะเรากําหนดไปแล้วเนี่ยน่ะกําหนดให้อะ่ะฉะนั้นคนที่จะมีภรรยาเกินหนึ่งเนี่ยต้องนึกถึงความอะไรอะความอะไรนะความยุติธรรมอย่างเดียวนั่นฉะนั้นถ้าไม่ไมีความสามารถอย่ารอพบในวันเกีย ม, มากกวแล้วกัน ขอบคุณอัลลอฮ์สุบานูตาลานะครับพี่น้องอ่างตกลงว่า โ, โลกใบนี้อัลลอฮ์ดูแลคุ้มครองแม้ฝนจะตกคอัลลอฮ์ก็กำหนดอาหารคอัลลอฮ์ก็กำหนดจะให้ผลไม้เกิดขึ้นคอัลลอฮ์ก็กำหนดแล้วก็อัลลอฮ์ประทานให้ใช่ไหมมิงกุ ล, ลิชัยอินทุกสิ่งนี่ใช่ตามสัดส่วนอัลลอ์อักบรมนุษย์ก็เหมือนกันว่าไงเวลาอัลล์ ได้ได้เราเองไม่รู้ว่าอัลลอฮ์งบประมาณเราปีที่ให้เพิ่มเท่าไหรเราก็ไม่รู้ท่านขออย่างเดียวมีสิทธิ์ขออัลลอฮ์เราไม่หน้าที่ขอผมก็เพิ่งรู้เหมื่นกันงบประมาประจำปีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ให้ประจำปีเลยพอให้แล้วนี่นะอัลลอฮ์ส่งให้ทุกวันนะเช้ามาเย็นมาเช้ามาเย็นมาเช้ามา อลรถอักัรละเอียดยิบเลยห้ามอย่าดีเลยฉะนั้นมนุษย์ต้องขอบคุณอลลรถเยอะๆเนี่ยหนังสือในหนังสือภาษาอุรุดูผมนั่งอ่านูพวกเราน่ะทำทำบินอ่ากันเยอะเขาบอกว้นี้คนที่อัลลอฮจะประทานรากมากนะ ในวันนั้นน่ะในวันนั้นน่ะในคืนที่อัลลอฮ์กำหนดอะไรนะงบประมาณประจําปีนะ่ะประทานร่ำ ม, มากด้วยนะค่าจะมีความสุขความสุขความสุขความสุขสุขจะได้ด ร, าารับบริการบริการบริกัรมีใครบ้างดีนะยกเว้นคนสิบพวกสิบกลุ่มที่อัลลอฮ์ไม่ให้ให้เหมือนกันให้เป็นเนี่ยให้ให้เป็นเป็นอาฮวงอาหารนะ่ะให้อะแต่ความดีใจอ่ะ นะครับความดีมระหมะบรารักัดที่อัลลอจะให้เพิ่มมาอีกเนี่ยคนสิบกลุ่มอัลลอไม่ให้หนึ่งกลุ่มไหนรู้ไหมคนที่ทำชีริกต่ออัลลอคนที่ทำบินอาด้วยชีริกด้วยอัลลอฮไม่ให้อ่ะให้มันกันมันก็ให้แบบนกอะไระที่เราเลี้ยงอ่ะไม่ใช่เป็นนกสิที่เราให้อาหารกับหนูอ่ะเห็นว่าล่ะ เราให้อาหารหนูก็ให้อาหารนกเขามันต่างกันนะให้อาหารนกเขานะให้พราะความอะไรนะให้พราะความรักไปยืนอยู่ที่หน้ากกงมันโอยเธอนี่ดีนะโอ้ยไปปุ้งผิวปากให้อาหารมันด้วยความรักแต่เราให้อาหารหนูที่มันวิ่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยให้พราะความหมันไส้ฉะนั้นไอ้คนประเภทเนี่ยสิบประเภทเนี่ยอัลลอ์ให้เหมือนกันแต่ให้ว่า อัะมึงแดกไปไม่ได้ให้เพราะความรักเพราะความเมตตาแบบเราให้อาหารหนูเราต้องการที่จะจับหนูฆ่าให้มันตายเหมือนกันนี่เป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดอ่ะมีใครบ้างเนี่ยสิบกลุ่มที่อัลลอ์ไม่ประทานราหมาให้เนื่องคนมุชริกกับคนทาบินอาเนี่ยพี่น้องที่ทาบินอาเนี่ยเปลี่ยนยอด เพราะส่วนใหญ่ก็อยู่ในศาสนากันันั้นแหละทีนี้พอว่าให้อย่าทําอย่างนี้สิฉันนี่ทํางานศาสนานะของดีนะออย่างนี่นาาเนี่ยฟูชาบานเนี่ยทําดีไหมดีอันอานคัอภีรดีไหมดีบอกเลิกได้แล้วเพราะนาบีไม่ได้ทํว่าเขาเขามองว่าการอ่านกัอนมอีร์ดีไหมดีอ่านกัมภานนะกูโบดีไหมดีทีนี้นบีสอนอ่านกัมภีร์ใ น, นกูโบ น, นัยอ่าน กูอ่านที่ไหนอ่านที่บ้านกับอ่านที่มัสยิดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะก็ไม่อ่านนี่ไป อ, อ่านในกูโบ่ก้อนนบีห้ามไม่ให้อ่านในกูอ่านในในกูโบรแต่นี้ไอคนที่อ่านประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อร่อ ย, ยนะอ่านด้วยได้ตามด้วยใช่ไหมล่ะจะเลิกมันก็ไม่เลิกอ่ะใช่ไหมก็บอกนะนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าบิดา เพราะว่านาบีไม่ได้ให้รูปแบบในการอ่านกุรุอ่านที่กูบูเอาไว้ถ้านาบีฮหสั่งให้อ่านมันก็จบอ่ะแต่ที่นบีไม่อ่านพอไม่อ่านภาพไอ้คนที่เคยอ่านจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองทำถูกแล้วบเาวววาวาาบเ า, เาไม่มันเร็วคว่าคืองบ ป, ประมาณของรอบเนีย จะให้ในช่วงของนิสใช่กำหนด <บา S 1> กำหนดมาระมาณ จ, จะกำหนดออกมานมนุษย์เนี่ ย, อยขอขอที่จะโน้ประมาณจะออกก็ก็ขอไปในมีมหาขอ ข, ข, ขอดูอาไปนายาอัลลอฮ์ให้ดิสกีเพิ่มให้ลูกเพิ่มให้บ้านเพิ่มให้อาพาร์ตเมนต์ เ, เพิ่มให้ที่ดินเพิ่มก็ข อ, ขอไปถ้าทำชีวิกด้วยอลัลลอ์ก็ไม่ให้อะทาบิดอามากๆอลัลลอฮ์ก็ไม่ให้ บางทีก็ให้นะให้แบบไหนใช่ไหมให้แบบมันไส่เอมึงเอาไปเอไปเอาเดี๋ยวกูจําลงนรกแต่ท่านในคนที่สังเกตนะคนที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ให้งบประมาณประจําปีผ่านเราเยอะๆเนี่ยจะสังเกตนะเราเนี่ยอัลลอฮ์จะระวังหูระวังตาระวังมือระวังปากระวังใจท่านเป็นคนดีระวังใจระวังยังไง ฉันจะไม่อิจฉาคนอฉันจะไม่อะไรนะไม่อะไรด้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทํางานด้วยความโอ้โอวดเนี่ยรนะักษาใจอรักษามือทําไงอ่ะฉันจะไม่ลักขโมยฉันจะไม่เอาของหา้ารำเนี่ยฉันจะไม่จับของหา้ารำจะจับตัวของฮารานฮารานฮารานฮารานฮารานก็จับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเมื่อชีเมียเราอ่ะอัลลอฮฺบาตายเลยนะ อย่างนั้นแสดงว่าคนเหล่านั้นน่ะได้รับบริสกีของอัลลอฮ์จริงแต่อัลลอฮ์มันไส้อะรักษาตาเราสายยังไงรักษาตาไม่มองของคารอมมองไปมองชานฝามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มองน้ําทะเลมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มองต้นไม้เขียวเขียวมีประโยชน์ไหมมองกะบะแล้วมองกุฎานอัลลอฮ์อักบะษ์นี่เอาสายตาไปมองของคารามหมดเลยอ่าแล้วก็หูล่ะ หูรักษาหูคนที่เอาลอประทานรัมมาให้นะหนึ่งหูเขาจะไม่ฟังอะไรเพลงเสียงดนตรีไม่ฟังแต่ฟังอะไรสเสียงเียงกุรอานอ่ะต่อมาอะไรละ่ะปากปากก็รักษาลิ้นนะ่ะทำไงไม่นินทาคนไม่ด่าคนแต่จะเอาลิ้นมาทำอะไรจิกรุล์ล้อกับนั่งอ่านอลัลกุรอานบ่อยๆเนี่ยถ้าหากเวลาาเอา เขรอะไรนะอวัยวะเอเจนที่อัลลอ์ให้มาห้ารายการเนี่ยนะอยู่ในาศาสนาของอ AH. ัลลอ์แสดงว่างุประาประจำปีที่อัลลอ์ให้มาปีนี้ลงมาอยู่ที่เรานี่อัลลอ์ให้งานาศาสนาของอัลลอฮ์เจริญหมดเลยนอกจากคนไขรนะหนึ่งคนมุชริกคนบินอาสองคนที่ทรยศต่อพ่อแม่ไม่มีบารากัดสามคนที่เล่นสายศาสตร์ พวกหมอดูทั้งหมดอยู่กับใครหมอดูเนี่ยอยู่กับชัยตอนใช่ยไมใ่ใช่ใช่ยข้อที่สคนที่กักตุนอาหารเอาไว้กักตุนบ้างอย่าง เ, าเด็กอาพาร์ตเมนต์ศาสนาเนี่ยมากก็ต้องมีอาหารเก็บไว้ใช่ไหมละ่ะขึ่งเดือน15วันนี่ไม่มีปัญหาไอ้กักไว้เป็นพันๆตันนะสิอย่างเงี้ยใช่ไหมข้อที่5คนที่กินดอกเบี้ยหมด ยมีบากาศในชีวิตข้อที่หกคนที่กินเหล้าและสูบบุหรี่ด้วยขอโทษพุณต้องที่สูบบุหรี่นะค่อยๆเลิกด้ยลงแดงค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกบุหรี่นี่ไม่ใช่มักครูนะฮารอมนะอ่าอย่าบงยาบ้าทั้งหมดข้อสิบทำซีนาแก่แล้วทำซีนาอีกอายุหกสิบแล้วอัลลอฮฺยังทั้งทำซีนาอีกนี่ นั้นขอดูเอาต่อรอใหเราออกหนะ่างนี่สิบคนสิบประเภทนี้หมดสิทธิ์ที่เลาตาลาจะประทานเรามาให้ให้ริสกีแต่ริสกีไม่มีบรารักัดริสกีที่มีบรารักัดสเกตนะจะนึกถึงเนี่ยงานาศาสนาของอัลลอฮ์จะนึกถึง zakat าานึกถึงอะไรนะนึกถึง hadiya นึกถึงซอตโก็นึกถึงวาก้ฟนั่นเงินที่เราได้มา ประจำปีที่ร้องงบประมาณให้ประจำปีให้กับเรานั้นเราเอามาคิดเรื่องศาสนาคิดเรื่องสากาศซาดกฮดีย y a h วกาฟคิดเรื่องเหล่านี้เรื่องอื่นๆเราไม่คิดนะครับขอบคุณอัลลอฮฺนาการีเราทั้งหลายต่อมาครับอายะสุดท้ายไว้มินชัยอินอิลอินดานาขะจาอินุและ ไม่มีสิ่งใดอินแปลว่าไม่มีนะและไม่มีสิ่งใดมินชัยอินสิ่งใดอิลลัอินดานาเว้นแต่ที่เรานั้นคือคอญาอินอูคือคลังครั้งของอัลลอฮ์ครังของ Allah อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์นู่นงบประมาณประจําปีอยู่ที่ Allah. Allah อัลลอฮ์อัลลอฮ์ค่อยๆส่งลงมามาันจะส่งเยอะ เห็น ไ, ไหมครั้งของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ยุบพี่น้องอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์ครั้งอัลลอฮ์้ะยุบดูสิวเวลาพวกเราแต่งงานนิกายนิกายเนี่ยเคยคิดถึงอัลลอฮ์บัลหม่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยจะให้มือกับลูกเราหรือเปล่าอัลลอฮ์ให้ตากับลูกเราหรือเปล่าบางคนแต่งงานทำไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยอยากได้ลูกได้ลูกเคยนึกเปล่า ถ้าได้ลูกมาแล้วมือไม่มีหูไม่มีฟันไม่มีตาไม่มีเนี่ยทำยังไงอ่ะเคยนึกป่าว่าที่ครั้งของอัลลอ์หมดหรือยังไม่เคยคิดเลยด้านตองการจะเล่าตรงนี้ว่าครั้งของอัลลอ์นั้นไม่ยุบอืมให้เท่าไรอั Allah ลลอฮ์ไม่ยุบเลยนะครับไม่ยุบไม่ยุบทีนี้วามานุนัซิลูหู เราไม่ได้ประทานมันลงมาเว้นแต่ตามสภาวะอิลลับีกอดาริมมาลูมสภาวะที่รู้แล้วตามกอดัตจำนวนที่รู้กันแล้วคำว่ารู้แล้วอธิบายยังไงใครขยันขนขวายริสกีอัลลอฮให้อยู่แล้วถ้าไม่ขยันไม่ขนขนขวายได้เหมือนกันแต่ ม, ม, มันต้องขยันนะ่ะอย่างความรู้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องความรู้ความรู้เนี่ยเป็นริสกีใช่ไหมอยู่ในครังอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ต้องการจะให้ใครคนหนึ่งมีความรู้มากกว่าคนอื่นนั่นต้องมานั่งเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้นคนที่ไม่แสวงหาความรู้อัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่อาหารเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลยมันไม่ไม่เหมือนกันนะริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ริสกีจะเป็นน้ําเป็นอาหารเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลย ฉะนนเราก็จะรับบริสกี้ได้อาหารก็บแบบควายพูดไงดีพูดควายดีกว่าง่ายดีนะอ๋ะออ๋อให้กินเลยฉะนั้นบางคนอนะ่ะชอบเป็นควายนะ่าดูเลยกินแล้ไม่ขอบคุณอล๋อนั่นมันควายที่เราเลี้ยงแพะที่เราเลี้ยงแกะที่เราเลี้ยงทําตัวแบบแอนิเมอล์อ๋ออาคุบะฉะนั้นอย่าทำอย่าทํา อัลลอฮ์บางคนนะ่ะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเอาไว้เต็มไปหมดตัวเองไม่ต่างอะไรกับแพะแก ะ, แกะวันวันนึ่อยู่กับแพะอยู่กับแกะนมาต์กวไม่ได้นมาต์ท่านต่างหากเราเข้าใจอ้ยายนีอัลลอฮฺ Akbar, ว่าอิมมินชัยอิอิลลาอินดานาคอซาอนูและไม่มีสิ่งใดเว้นแต่ที่เรานั่นคือคลังทั้งหลายของมันอัลลอ์ควบคุมดูแลหมดต่เป็นโบเดยมีคลังเก็บไว้ แล้อัลลอฮ์ก็ค่อยๆประทานลงมาเหมาะเอาเอาไปแค่นี้อะไรไปแค่นี้ฉะนั้นพี่น้องที่เป็นเข้าใจาศาสนาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เท่าไร illah, อัลฮัมดุลิลละก็พูดนะล้อถ้ายามได้เพิ่มก็ร้องให้เยอะหน่อยร้องตอนไหนอ่ะร้องตอนลุกขึ้นตอนตะฮาจุนอยากได้เพิ่มอยากได้ลูกเพิ่มไอ้ได้ลูกเพิ่มเนี่ยไม่ยากหรอก ง่ายเอาริสกีเพิ and and ่มนะพี่น้องหนึ่งถ้าจะเป็นนักค้านักขายต้องเอาซุนนะนบีมาใช้ให้เยอะซุนนะข้อเดียวคืออามานะนั่นแหละซื่อไปซื่อตรงตรงไปตรงมารักษาปากรักษาหูรักษาตารักษามือรักษาใจอัลลอฮฺอักบารพี่น้องนี่แหละท้งหมดนั้นเป็นทิสกีที่ลอตอลามอบให้กับพวกเราทุกคนนะครับเป็นั่นคนที่ได้รับ งืประมาณประจําปีจากอัลลอฮ์ถ้าขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มให้ถ้าไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ก็ให้ให้แบบอเดี๋ยวก็เราให้อาหารกับควายเราเห็นแลืวให้แพะแกะให้มันกินไปไม่ให้มันตายใช่ไหมอย่างนี้คือตนเอาพี่น้องครับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ตรงนี้ต้องการจะบอกว่าน้ําอ่าน้ําที่อัลลอฮ์ให้มาในพี่น้อง คือน้องต้องขอบคุณอลัลลอนะอา้าวทั้งบท ม, มีอยู่หกข้อเดวยวกันหนึ่งอลัลลอให้น้ำมาเนี่เป็นอะไรนะเป็นเนี่ย อ, อันยิ่งใหญ่เหลือเกินสองให้ฝนตกลงมาไปตกตามที่ต่างๆเนี่ อ, อัลลอน้ำสามารถนำเอาไปดื่มได้แต่เดี๋ยวนี้น้ำในคองเขต ด, ดื่มได้ไหมฝีมือใคร เป็นมือพวกเราเท่านั้นเลยนี่เนี่ยไอ้แม่นางคองเทสเนี่ยดำดำดำไม่ใช่ดำดำดำด ำ, ดำอืมอย่างนี้เป็นทอทีซีให้มนุษย์ดื่มได้ทุกโอกาสถึงนบีพูดว่าไงนะอลัลลอ์พูดว่าถ้าคนกาเฟสนะถ้าโลกดุนยาใบนี้อะไรนะมีค่าเท่ากับปีกยุง ฉันจะไม่อนุญาตให้คนมุสลิกหรือคนกาแฟดื่มน้ําใช่ไหมพูดถึงน้ำนํำธรรมะเพราะน้ําเป็นเนื้อธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน่ะเอาร่างในในตัวเรามีน้ํามากกว่าเนื้อใช่ไหมใช่โลกดุนยาไปนี้น้ํามากกว่าดินใช่ไหมใช่น้ามากกว่าแค่นั้นเป็นขอบคุณอัลลอฮฺสุภานอุบัติละข้อที่ห้ามนุษย์สามารถเก็บน้ําไว้ได้แต่จะเก็บเท่าไหรก่ก็มันก็หายไปจากดิน ข้อที่หกสามารถนำน้ำขจัดความกระหายได้อัลฮัมดุลิลเลาห์อัลลอฮ์เล่าในคี์กุรอานฉันเป็นคนรักษาน้ำเองโอ้ห้ามดุลิลเลาห์ตัวลองว่าชีวิตของเรานั้นอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกกำหนดจากอัลลอ์แล้วนะปีนี้จะตายหรือไม่ตายยังไม่รู้เลยนนะถ้าต้องการจะไม่ให้ให้ตายไวทำไงใช่หริม ให้ทำดีกับพ่อแม่ตัวเองแต่พ่อแม่ไม่อยู่ให้ทำดีกับใครเครือญาติเอาเครือญาติมีใครบ้างพ่อแม่ลูกชายลูกสาวนี่เครือญาติแล้วนะทำดีแล้วก็พี่ของพ่อหรือพี่น้องของแม่ลูกเขยลูกสะพ้ยพ่อตาแม่ายายอัลลอฮุนิญาติใกล้ชิด เนี่ยทําดีกับญาติกล้ชิดนี้อัลลอฮฺจ ะ, ะไรนะให้อายุยาวตั้งงบประมาณแล้วว่าต้องตายแต่เนื่องรเราทคำความดีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลลลอฮฺอัลลอฮตออายอุไม่ต้องไปต่อในวันนั้นทําความดีเนี่ยประจําวันนี่จะให้เพิ่มขึ้นและอัลลอฮฺก็จะให้อายุยาวรีสกีก็จะตามมาด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีอะไรถามไหมครับเอาอาเชิญครับ อ่าถ้ามีมีมี ม, มีตัดญาต่อตัดญาติตัดญาตินี่อ่ทรยศต่อบิดามารดารวมทั้งญาติ ด, ด้วยอ่านั่นละสิบข้อเนี่ยน ะ, ะวันนี้มีหลายข้อนะสิบข้อก็ประมาณประจำปีข้ามธิ์ครับคือเป็นอย่างนี้ <c oughs> พ่อลูกนี่นะกับพ่อแม่เนี่ย จะเป็นศาสนาใดก็ตามเอัลลอฮ์กำหนดให้กับคนทุกคนเนี่ยให้ทําความดีกับพ่อแม่ตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้ามารับนับถืออันอิสลามอีกแล้วก็ก่อนที่เราจะทําความดีกับใครเรานึกถึงอลัลลอฮ์เนี่ยที่ฉันทําดีเพราะอลัลลอฮ์สั่งเราโยงขึ้นฟ้าผูกพันกับอลัลลอฮ์นี่เนี่ยอลัลลอฮ์พอใจคนกาเฟน่ะ เขาไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์รอกก็ทำดีกับพ่อแม่ของเขาใช่ไหแต่ตอนนี้เราเนี่ยพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะทำความดีทุกอย่างต้องนึกอย่าล้อในฉันทำเพื่ออัลลอฮ์นะหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์นะให้อัลลอ์ได้ประทานนู่นประทานนี่ให้กับฉันนะนึกถึงอัลลอ์สุภาอัลูันตะอาลาผลบุญมีไหมมีมีมากกว่าคนกาเฟอีกเพราะเราทาในานามของอัลลอ์หวังความ ดีจากอัลลอ์ให้อีหมานเพิ่มแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ในหลังหลังตายอา า, อ า, าับอาคิรออัลลอ์ก็จะก็จะปัดออกไปให้ห่างไปงอาการทำดีก็พอแม่ต่อมากอที่สองครับครับ ครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยพบนบีอาดามอเลยฮิสซลามจะพบด้วยวิญญาณจะพบด้ร่างกายเราไม่ทราบอัลลอฮฺว่าดานะชั้นชั้นฟาชั้นที่สองเนี่ยพบนบีอิส า, าชั้นฟาชั้นที่สามพบนบียูซุฟอเลยฮิสซลามชั้นฟาชั้นที่สี่พบนบี อิดุลิสอ a l i s ชั้นฟาชั้นที่ห้าพบนบีฮารูนอ alihi s ชั้นฟาชั้นที่หกนบีมุ hammad ผ่านพาโดยท่านจิบรินพบนบีมูซาอ alihi s a l นูนะชั้นที่เจ็ดชั้นสุดท้ายนะพบนบีอิบรอฮิมอ a l i h อัลลอฮอัลลอฮ เนี่ยอิมานมันเพิ่มเพราะอาลัยอิมานเพิ่มเลยเ <c> ร <oughs> ียกว่ารรมดาดีที่ทำหนาศาสนาอยู่บนหมดเลยอ่ะวิญญาณเขาอยู่กล้าชิดลอลรมณ์หมดเลยใช่ไหมโลบัดบัดแล้วก็วิญญาณของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราทํางานศาสนาของเรานะครับก็ดูแลศาสนาดูแลตัวเองรักษาตารักษาจมูกรักษาปากเดี๋ยวหลังอธิบายใหม่รักษาหูอธิบายยังไงใช่ไหม เอาเอาง่ายๆก่อนรักษาหูไม่ฟังอะไรดีไม่ฟังเพลงเพราะเราฟังมาเยอะแล้วพอแล้วารักษาตาทำไงไม่มองใครไม่มองของที่หรรมรวมไปถึงผู้หญิงที่เราแต่งงาน ไ, ได้อะย่าไปจ้องมองเขาเอาละมองเมียเราก็พอแล้วสิมองลูกสาวเราใช่ไหมรักษามือเนี่ยชอบไปจับมือกับเขาอ่ะ พวกผู้ชายเนี่ยประจําเมื่อกับผู้หญิงอัลลอฮุผมจําได้เมื่อผมกลับมาจากอินเดียเรียนหนังสือกลับมานะที่สุราขงเคสนี่แหละ ว, วันอีดเนี่ยอัลลอพวกผู้หญิงเขานํามาแล้วก็นั่งอยู่ข้างนอกพวกผู้ชายพอหน้ามาจบมา ก, ก็ทํางานสลามกัน mm hmm. ทาําไง้วพูดแรงเวลาโกรธ <laughs> อ, อลัลลอฮ์กว่าจะบอกให้เราเลิกไม่ให้ผู้ชายจับมือผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่ใช่วันสองวันนะบอกกันเป็นปีเลยนะยากพวกเรายากมากดีแล้วพวกโตๆแชร์เขากลับไปหมดแล้วกลับไปหาอาัลลอฮ์กันหมดคนรุ่นใหม่วันนียต้องทําตัวให้ดีใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้เราดีขึ้นนะนะเราไม่จับมือกับผู้หญิงนะแต่บางคนไปแอ บ, บจับบนรถก็มีอันนั่นอีกเรื่องนึอี่อง ก็ะกอบด้อัตตาอดนะให้ห่างไกลคนถ้าเข้าใจศาสนาแล้วไม่มีปัญหาเราก็เรา่เลยแล้วอัลลอ์ลก็จะคุ้มครองการรักษาใจทำไงนะรักษาใจอย่าอะไรอิจฉาอิจฉานี่มันมีโดยโดยใจทุกคนนะเอาวิธีวิธีลดอิจฉาทำนี้เวลาพี่น้องไปบ้านใครไปเจอบ้านเขาใหญ่โอ้สวย แอติดทั้งหลังพรมเต็มไปหมดอ้าวไปเจอรถเขาจอดหน้าบ้านสี่ห้าคันรถหลอ่ลอๆสวยๆทั้งหมดไปเจอลูกเขาอีกล่อด้วยสวยด้วยทำไงไม่ให้มีความอิจฉาอิจฉาที่มีอยู่นี่นะให้มันหมดไปเนี่ยมันมีดอาอ่านอ่านว่างี้มาชาอัลลอฮ์ว่าแค่นี้เองมาชาอัลลอฮ์ เนี่ยเป็นไปตามภาพรประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอ์ให้คนนี้มีริสกีเยอะงบปางมาประจำปีที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับคนนี้เยอะว่าไงนะมาชาอัลลอฮ์แค่นี้เองความอิจฉาที่อยู่ในใจมอย่างนี้เป็นตนน้องก็ต้องแล้วก็มีอยู่คนนั้นไปไปไปไ ป, ไปคูเวกับผม ที่กูเวทเขาก็พาไปดูหลังจากอิรักยึดไปแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วเนี่ยเขาก็เอารูปภาพมามาถ่ายให้เห็นกับพวกเราเป็นคนไทยอยู่ด้วยกันอย่าไปเอ่ยชื่อบุกใครพอ เ, เข้าไปไปว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เขามองหน้าเลยนะคนที่พาเราไปนะไปดูภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแปลว่าไงนะแปลว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลละ์ เขาจะมองว่านี่พวกอิรักหรือเปล่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ผมก็สะกิดเห้อะไรทำดีแล้วพูดไม่ได้นะงานนี่นะ <laughs> ตัง้งแ่ดาวอุบิลลาเป็นนชัยตอนนีอนีห์อัสตักลลไปวนรอบไปไม่ใช่ว่าอัไรทำดีแล้วนี่นะภาษาอย่างนี้อะไรเราก็ต้องเรียนด้วยนะไม่ใช่ไม่เรียนนะอ่ะงงานจงหาได้เนยยังเห็นยูซุปมานั่งอ่านครูอ่านทุกวันมาสามชั่วโมงเนี่ย ละมาทวงดูฮาเราก็มหมั่นซ่้ ย, ยูซุบจังทำบ้างทำบ้างอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยมาเลยมาทำอย่างนี้เปน้นะเขาอ่านกูอ่านเขาลุกขึ้นละมาตะฮายุดเราเห็นละอิช่าทำตามเขาซะอย่างนี้อลัลลอไม่ว่าเลยไปเอาอยาให้ยูซุปกินให้ทายท่องอ๋อเนี่ยมันเลวแล้วๆลว Mengkisah kebog, kisah kebog, nakap. Al-Subhanaka Allahumma wa bihamdika. AsyhaduAllah ilaha illa anta astagfiru wa taufiilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.